ต่อไปเรามาดูปัญจะมีวิพัฒน์ขึ้นปัญจะมีวิพัตน์จบไปจตุถีแล้วนะเนื้อหาก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนี่แหละปัญจะมีวิพัตน์เนี่ยใช้ในอัฏฐก้าอย่างปัญจะมีวิพัตน์ตยันตบทนะบทที่มีปัญจะมีวิพัตน์อยู่สุดท้ายปัญจะมีวิพัฒน์ใช้ในอัฏฐก้าอย่างหนึ่งอะปาทานะ คำอปาธานะเนี่ยแปลว่าทอดทิ้งนะนะแปลว่าแดนที่ถูกนกิยาตีหลีกออกทอดทิ้งละทิ้งออกห่างอปาธานะเขตเป็นที่ตั้งของกุณียาที่ประกอบกับธาตุในอัตว่าออกตกลงและเรียนเอาเป็นต้นเป็นต้นนะหลายอัต เ, เช่นเรียนเอาศิลปะจากอาจารย์ ปัญจะมีวิพัฒน์ใช้ในอดว่าพยาเหตุตวาธิก็คือพยาเหตุุอาทินะเหตุวานิเหตุตุอาทิเหตุตะวานิเหตุตุอาทิเหตุตุก็แปลว่าอัตเหตุที่ตั้งของเหตุแห่งความกลัวเป็นต้นเหตุของความกลัวเป็นต้นเช่นภัยเกิดจากโจรภัยเกิดจากพระราชาภัยเกิดจากไฟสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นเหตุแห่งความกลัวก็ลงปัญจะมีวิพั 3าทาตุโยคะประกอบด้วยอัดประกอบด้วยธาตุที่มีอัดว่าพ่ายแพ้เป็นต้นพ่ายแพ้เช่นพ่ายแพ้จากโจรพ่ายแพ้จากพระราชาพ่ายแพ้จากกิเลสแต่ภาษาไทยมักจะใช้พ่ายแพ้ต่อเนี่ยบาลีท่านจะใช้พ่ายแพ้จาก 4. ีนามโยคะ ปัณจมีวิพัต ช, ชนิดอัดในในที่ที่ประกอบด้วยน้ำก็คือคํานามทั่วทวไปนะั่นหมายความว่าปัญจะมีวพัตในแะปลเข้ากับน้ำไม่แปลเข้ากับกิริยาแปลเข้ากับน้ำเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่าง 5. อุปสรร ค, คโยคะที่ประกอบด้วยอุปสรรคก็คือจะแปลอุปสรรคในเข้ากับปัญจะมีวิพัตหกนิปาตโยคะที่ประกอบด้วยนิบาศจะแปลนิบาศให้เข้ากับปัญจะมีวิพัต เเหตุตวัฏฐะในอัตเหตุพยะเหตุตัวในเหตุเห็นความกลัวเท่านั้นส่วนเหตุตวัฏฐะในเหตุทุกอย่างอะไรที่เป็นเหตุที่แปลว่าเพราะเพะเพ ะ, เะเนี่ยนะใช่ในอัตเหตุ8รักนัฏฐะในที่ประกอบด้วยา่าที่มีอัตว่ารักษาห้ามหลีกเว้นเป็นต้นะนะเป็นต้นและ9ทูงราทิโยคะ ในที่ประกอบด้วยศัพที่มีอัจว่าห่างไกลเป็นต้นถูละไปว่าไกลห่างห่างจากบาปไกลจากบาปไกลจากกิเลสอะไรพวกนี้จะแปลเข้ากับปัญจะมีวิพัตแปลว่าจากตัววิพัตในปัญจะมีวิพัตในคืออะไรวิพัตอ่ะตัววิพัตเลยอ่ะคือปัญจะมีวิพัตวิพัตคือสมิงเหรอ สมากับสมากับสมาริตัววิพัฒน์จริงๆคือสมารา์และิคำแปลของวิพัฒน์คือแต่จากกว่าเหตุเพราะเพราะแต่จากกว่าเหตุนั่นเฉพาะที่เราเห็นทั่วๆไปก็แต่จากกว่าเหตุทีนี้เราไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะแปลว่าแต่เมื่อไหรจะแปลว่าจากเมื่อไหร่าจะแปลว่าเหตุหรือเพราะใช่ไหม ดังนั้นในที่ที่ประกอบในอัดปันจะมีในที่ถึงทั้ง9จุดตรงนี้เนี่ยจะบ่งบอกว่าอันไหนจะแปลว่าอย่างไรดูในคําแปลก่อนนะดูข้อหนึ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ยถ้าปันจะมีพัดลงในอัดที่หนึ่งคืออปาทานนะนั่นแปลว่าแต่แปลว่าจากหรือแปลว่ากว่าเห็นไหมนี่มีกว่าแล้วแต่จากกว่าแต่เหตุยังไม่มีนะต่อไปดูข้อ2เปิดไปอีก1แผน่น ปัญจมีพัดในอัฏภยเหตุวาทิเนี่ยจะแปลว่าแต่และจากกว่าไม่มีกว่าไม่มีต่อไปข้อ3ปัญจะมีพัดในอัฏฐาตุโยคะก็แปลว่าแต่และจากกว่าก็ไม่มีอีกข้อ4ปัญจะมีวิพัตใน อ, าใ น, อานามโยคะก็แปลว่าแต่และจากกว่าก็ไม่มีพเพราะก็ไม่มี 5. ปัญจะมีพัดในที่ประกอบด้วยอุปสรรค ก็จะแปลว่าจากอย่างเดียวแต่ก็ไม่มีด้วยจากอย่างเดียวข้อ6ปัญจะมีวิพัตในอัดประกอบในที่ประกอบด้วยนี้บาทจะแปลว่าแต่และจาก 7. ปัญจะมีวิพัตในอัดเหตุแปลว่าเพราะอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้จากก็ไม่ได้แปลว่าเพราะอย่างเดียว8ปปัญจะมีพัตในอัดรักขณะ ในอัตร์ขณะก็คือแปลว่าจากอย่างเดียวแปลว่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากว่าก็ไม่ได้แปลว่าเหตุก็ไม่ได้และเก้าปัญจะมีพัทธในอัตทูงราที่โยคะแปลว่าแต่และจากกว่าก็ไม่มีเหตุก็ไม่มีดังนั้นเวลาเราแปลเราก็จะรู้แหะอ่าเวลาเห็นปัญจะมีตรงในอัตอย่างนี้อย่างนี้นี้จะแปลว่าอย่างไรแม้ปัญจะมีจะแปลว่าแต่จากกว่าเหตุก็จริงแต่ไม่ได้หมายว่าในคํา เห็นปั้จะมีหนึ่งตัวเราสามารถจะแปลได้ทั้งสี่ความหมายไม่ใช่จะต้องแปลได้ความหมายใดความหมายหนึ่งที่อยู่ในลักษณะเก้าอย่างที่ว่ามานี้ปั้นจะมีพัทธปงลิงอากางรันอย่างปุริสาเนี่ยมีรูปเป็นยังไ ง, ปปไงบ้างมีรูป็นยไงบ้างปุงริสาอะไรอีก ปุริสัมมาหาอะไรอีกปุริสัตสมาอะไรอีกปุริสมาหีไม่มีเลยหรอปุริสมาหีอะไรปุริสาหีปุริสาหีก็ไม่มีอีกอ่ะอ่าปุริเสห์ีปุริเสห์ีปุริเสพโอ้ยหายหมดแล้วอ่ะไปไหนหมดเลย เคยถามหามันบ้างไหมมันหายไปไหนเคยค้นหาเคยถามหาเคยเสาะหาเอ๊ม <here Control aesthetic> ันไปอยู่ไหนเปิดหาดูหน่อยเคยไหมถ้าไม่เคยก็สมควรมันจะหายแล้วหล่ะมันไปซะแล้วไม่ให้ความสนใจมาเลยไปหมดแล้วไม่เหลือเลย ไม่ใช่เอาเฉพาะปันเจมีเนี่ยยมดูปันเจมีอย่างเดียวถ้าเป็นอิฐีลิงล่ะอากางรันอย่างกัญญาเนี่ยลงสมาแล้วหิมีพัทจะมีรูปเป็นยังไงกัญญาญาแล้วอะไรกัญญาหิกัญญาพี่ถ้าเป็นนปุงสกัลิงล่ะอากังรันอย่างกิตตะสับอย่างเนี้ยจะมีรูปเป็นยังไง ลงสมาหิวิพัตจะมีรูปเป็นยังไงจำง่ายง่ายถ้ามันกลาง ร, รันเดียวกันกับปุงริงนะแล้วก็บอกว่า <c oughs> เหมือนปุงริงก <c oughs> ุริศะอย่างไรจิตตะก็อย่างนั้นตั้งแต่ตติยาถึงสัตตมีเนี่ยมันรูปเหมือนกันรูปเหมือนกันเลยนั้นเราก็บอกว่ารูปมันเหมือนกันรูปมันเหมือนกัน ไม่ต้องสงสัยบอกว่ารูปมันเหมือนกันเท่านั้นเอง เอาละเราจะมาเริ่มดูไปเป็นทีละข้อทีละข้อดูที่ข้อหนึ่งก่อนข้อ1นปัญจะมีวิพัฒน์ในอัตตปาทานะแปลว่าแต่แปลว่าจากและแปลว่ากว่าส่วนเพราะกับเหตุเนี่ยไม่มีพรลงในอัตตปาทานะอปาทานะก็คือเขตเป็นที่ตั้งของกิริยาที่ประกอบกับธาตุที่มีความหมายว่าออกตกลงเรียนเอาเป็นต้นนะเราก็จะมาดูคําพวกนี้ว่า มีคําที่มีความหมายเหล่านี้ไหมดูตัวอย่างข้อหนึ่งสามะเนงรากุโตอะเป็นติสามเเนงรากับอะเป็นติผูหูพจน์เหมือนกันสามะเนงราแปลว่าสามเนงทั้งหลายอะเป็นติย่อมหลีกออกย่อมหลีกออกยิ่มย่อมหลีกออกหรือว่าหลีกไปหรือว่าออกไปก็ได้แต่ความหมายชัดๆก็คือแปลว่าหลีกไงแปลว่าหลีกแปลว่าออก อเปนติย่อมลีกออกกุโตจากที่ไหนโตปันจะมีวิพัฒน์ใช้แทนปันจะมีวิพัตน์แทนสมาแทนหิจากที่ไหนกุมาจากกิงแปลว่าอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่ อ, อไรกุโตจึงแปลว่าจากที่ไหนสามเณรออกไปจากที่ไหนข้อสองสามเณรราคามาอาเปนติ คามาแปลว่าจากหมู่บ้านสามเณรกราสามเณรทั้งหลายอะเป็นติย่อมหลีกไปหรือว่าย่อมหลีกออกคามาจากหมู่บ้านคามานี่มีพัดอะไรสมาปัญจมีสมาเป็นอาเหมือนปุริสานั่นแหละอันเดียวกันจากหมู่บ้านข้อสาม ราชากุโตนิคโตราชาพระราชานิคโตเสด็จออกไปแล้วเสด็จออกไปแล้วเสด็จนี่เป็นคําราชาศัพท์คัโตแปลว่าไปแล้วมีนิอยู่ข้างหน้าแปลว่าออกไปแล้วแล้วนิ่โตจึงแปลว่าเสด็จออกไปแล้วนิคโตแปลว่าออกไปเสด็จออกไปแล้วกุโต จากที่ไหนข้อสราชาณฆรานิคโตราชาพระราชานิคโตสเสด็จออกไปแล้วณนะกราจากพระนะครพระราชาก็ต้องใส่พระนะครหน่อยจากเมืองก็ไม่เข้ากับพระราชาณฆนะราจากพระนะครเช่น พนคอนอะไรมั่งไงพนคอนสีอยุทยาอะไรวะไงพนคอนพนคอเขื่อนขันเมืองโบราณข้อ5ทางกระโกกุโตปะตะติทางกระโกแปลว่าเด็กชา ย, ชายปะตะติย่อมตกย่อมตก ตกไปตกลงก็ได้ย่อมตกกูโตจากที่ไหนเด็กตกจากที่ไหนตกจากตึกเรยข้อหทางกระโกรุกขาป ะ, ต, ะติรุกขาแปลว่าจากต้นไม้นะตกจากต้นไม้ตกจากเรือนตกจากคอช้างตก สอบตกอย่างเนี้ยเป็นต้นตกจากวิชาที่เรียนอะไรวะเนี่ยข้อเจปุริสโสกุโตองโรหติปุริโสแปลว่า บ, บุรุษองโรหติแปลว่าฮะโอโรหติย่อมลงมาจากอวบบทหน้ารุหาธาตุนะโอโรหติน่ะอวะแปลว่าลงรุหาแนะนะปาลว่ า, าเกิด แปลว่างอกองโหรหติยิ่งแปลว่าย่อมงอกลงย่อมเกิดลงนั้นโดยวหารก็เลยแปลว่าย่อมลงย่อมลงองโหรหติย่อมลงกุโ ต, โตจากที่ไหนข้อแปดปุริโสเคหาองโหรหติปุริโสบุรุษองโหรหติย่อมลงเคหาจากเรือน จากบ้านเคหะเคหะสถานบ้านช่องข้อเกัาพภัตาโอตัณฑิตวณะะจังราปภัตาก็เห็นสละอาวณะะจังราก็เห็นสละอาปภัตตะในแปลว่าบรรพศหรือภูเขาวณจังราในแปลว่าพรานป่าภูเขาลงจากพรานป่าหรือพรานป่าลงพรานป่าลงจากภูเขา เห็นไหมบางครั้งเราเห็นสลาอัเหมือนกันเราต้องวินิจฉัยอย่างเนี้ยดูความเป็นจริงว่ามันคืออะไรล่ะสลาอัไหนมันเป็นปฐมาวิพัฒน์สลาอาไหนมันเป็นปัญจะมีวิพัฒน์ต้องวินิจฉัยด้วยความหมายด้วยเอาแต่วิพัฒน์อย่างเดียวยังไม่พอเพราะวิพัฒน์มองไม่ออกบางทีมันซ้ํากันวันะจังราพรานป่าทั้งหลายโอตั้งรันติย่อมลงย่อมลงนะเดินลงข้ามลง ปภัตาจากภูเขาพวกพรานเดินลงมาจากภูเขาเคยเดินลงภูเขาไหม <Yeah. S 1> เดินขึ้นก็เดินลงอันไหนเมื่อยขามากัน <Yeah. S 1> ถ้าคนอยู่บนเขานะ <Yeah. S 1> เขาจะบอกว่าขาขึ้นเมื่อยกว่า <Yeah. S 1> เพราะเขาเดินลงมาหมดแรงแล้วขึ้นมันก็เมื่อยใช่ไหม <Yeah. S 1> ถ้าเราอยู่ข้างล่างไอเดินขึ้นมันจะไม่เมื่อยเดินลงมันก็จะเมื่อย เป็นอย่างนั้นเหรอมไม่ใช่เขาชันมัง้งเขาธรรมดามั้งมันจะเมื่อยตอนที่หมดแรงแล้วนั่นแหละตอนขาตึงๆแล้วนัะนโอ้อถ้าเขาคีจ้จกนนมันไม่เมื่อยหรอก <laughs> <laughs> ทางค่อยๆลาดขึ้นไปอย่างเนี้ยมันไม่มีขั้นบันไดอะไรสักหน่อ ย, อยมันก็จะไม่เมื่อยอะไรธรรมดาธ <laughs> รรมดา <laughs> ทำไมทำไมไม่อารุยหนะล่ะคาถาอาจารย์ทั้งหลายนะอารยเอาดูต่อไปข้อสิสิศากุโตสิปังอุคันหันติสิศาแปลว่าสิทธ์ทั้งหลายอุคันหันติย่อมเรียนเอาย่อมเรียนเอาสิปังซึ่งศิลปะซึ่งวิทยาการกุโต จากใครอืมถ้าถามถึงบุคคลน่ะถ้าถามถึงสถานที่ก็จากที่ไหนถ้าถึงถามถึงเวลาก็จากเวลาไหนอย่างเราเรียนเนี่ยจากเวลาบ่ายโมงถึงเวลาสี่โมงอย่างเนี้ยแล้วแต่ว่ากูโตเราจะถามถึงบุคคลสถานที่หรือการเวลาถ้าถามถึงบุคคลกูโตก็จากใครแต่บาลีท่านใช้กูตัวเดียวนี่สิไม่รู้ได้ทั้งหมดแหละแล้วแต่ว่าเราจะตอบเป็นอะไร คำตอบศึกษาอาจางริโยสิปังอุคันหันติอาจางริโยจากอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นพระก็มีพระนำหน้าว่าจากพระอาจารย์ข้อสิอสามเณรกรากุโตอุปัชชายังคันหันติสามเณรกราสามเณรทั้งหลายคันหันติย่อมถือเอาย่อมรับเอา หรือว่าย่อมถือเฉยๆอุปัช่ายังซึ่งพระอุปัชากุโตจากที่ไหนสามเณรถืออุปชาจากที่ไหนพราะเป็นพระก็ต้องถืออุปชาเป็นสามเณรต้องถืออุปชาคําว่าหมายความว่าสามเณรถืออาอุปชานี่ยก็คือวันที่จะรับไตสรณคมเพราะ สามเณรหมดอายุมีสองอย่างหนึ่งหมดอายุเพราะศีลขาดสองหมดอายุเพราะครบวันถ้าหมดอายุเพราะศีลขาดก็คือพอบวชแล้วมาวันไหนศีลขาดก็คือขาดสามเณรและไม่เป็นเณนต่อไปแล้วถ้าศีลยังไม่ขาดเมื่อครบสิบห้าวันก็ถือว่าหมดอายุสามเณรแล้วต้องรับต่อหมายต้องต่อสิบห้าวันต่อครั้งสิบห้าวันต่อครั้ง ต่อไปเรื่อยใช่เพียงสิบห้าวันเท่านั้นสามเณรบวชอยู่ได้สิบห้าวันพ อ, <ม>พอวันทุกวันสิทุกสิบห้าวันต้องรับสารณคมใหม่อุ้ยไม่ใช่บางกลุ่มแต่ทั่วประเทศนี่แหละจะไปโทษสามเณรก็ไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ไม่แนะนำสั่งสอนเณ น, นก็ เป็นเด็กบวชใหม่จะรู้ว่าถูกผิดอย่างไรบาอาจารย์ก็ไม่แนะนำสั่งสอน <c oughs> เข า, ารเรียนกนะ็ไม่ได้เรียนวินยัยเขเรียนก็ไปเรียนโน่นสอบสนามหลวงโน่นวินัยไม่ได้เรียนเรียนก็สังะตายไปอย่างนั้นน่ะถูกบังคับให้เรียนก็เรียนสักหน่อยหนึ่งไม่ถูกถ้าเน้น ถามถามดิวะเนนบวชมากี่ปีแล้วห้าปีเนนรับสันคมกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวแต่วันบวชโอ้โน่นอ่ะมันหลังวันบวชสิบห้าวันโดนขาดไปแล้วไม่ได้เป็ น, เ ป, นเป็นแต่เ ป, แตเป็นแต่เพศแตข่ข้อปฏิบัติไม่เป็นเป็นแต่เพศวัดไม่เป็นไม่ภิกษุไม่ต้องรับ ไม่เหมือนสา ม, มเณรสา ม, มเณรสา ม, มเณรถ้าศีลข้อหนึ่งถึงข้อห้าขาดขาดจากสา ม, มเณรถ้าศีลข้อหกถึงข้อสิบขาดนั่นขาดวัดถ้า เ, เน ร, ร, รเป็นพระอรหันแล้วต้องรักศีลไม่ต้องก็เป็นพระอรหันเราไม่เป็นเนรแล้วเป็นพระไม่ต้องแล้วถึงตอนนั้นไม่ต้อง ไม่มีใครจะทักท้วงเอาผิดใดๆไ ด, ไ ด, ได้เอาละดูต่อไปคําตอบอุปัชาัยยามมหาคําตอบสามเณรราอุปัชาัยยามมหาอุปัชัยยังทันหันติสามเณรทั้งหลายถือเอาพระอุปชาจากสํานักพระอุปชาอยากได้อุปชาไปหาอาจารย์ไม่ได้นะอยากได้อุปชาต้องไปหาอุปชาอุปชาอยู่กุติหนึ่ง จะไปหาเอาอุปชาที่กุฏิสองอ่เนี้ยไม่ได้เพราะาจะมีสํานักอุปชาสํานักอาจารย์ทางรับสังคมเนี้ยต้องรับจากอุปชาท่างรับคําแนะนําตักเตือนสั่งสอนต้องรับจากสํานักอาจารย์คําว่าสํานักก็คือเขตคุ้มครองของพระอุปชาของอาจารย์ ในอำนาจของอาจารย์ถึงไหนนั่นคือเรียกสํานักอาจารย์อำนาจของอาาุปชาถึงไหนนั่นคือสํานักของพระอาารุปชาอย่างเช่นสามเณรอยากจะได้พระอาารุปชาวัดหนึ่งมีพระยี่สิบพรรษาขึ้นไปอยู่อีกวันหนึ่งเพิ่งจะมีพระบวชใหม่จะไปเอาอาาุปชาที่สํานักพระบวชใหม่ไม่มีเพราะพระอาารุปชาต้องยี่สิบพรรษาขึ้นไป สมต้องไปสำ น, นักโน้นถึงจะได้พระอุปชาต่อไปข้อ12อุปชายาสิกขังคันหาติคันหาติเรียนเอารับเอาถือเอาสิกขังซึ่งสิกขาเช่นไตรสิกขาเป็นต้นอุปชายาจากพระอุปชา เรียนเอาสิกขาจากพระอุปชารับเอาสิกขาจากพระอุปชานั้นเพราะว่าสังกรณคมเสร็จแล้วก็ปานาติปาตาเวรมณีสิกขานั่นไงปรทังสมาธิยาเมนะสิกขาหรือไม่ก็อันนั้นเรียกว่าสิกขาบทหรือไม่ก็สิกขา3ก็ศีลสิกขาเป็นต้นต่อไปข้อ13บามอาจักริยโตโอวาทังสุนาติสุนาติย่อมฟัง โอวาทังซึ่งโ อ, โอวาคืออะไ ร, รใช่เหรอโอวาในคําสั่งส อ, อ, อสงสรรค์เคยได้ยินคําว่าโอวาทานุศาสนีไหมไม่เคยได้ยินเหรออนุสาสนีไม่เคยได้ยินไหม อ, อนุสาวณีเคยได้ยินโอวาทานุศาสนีคําว่าโอวาทาเนี่ยนะ คำตำหนิหรือว่าคำชี้โทษส่วนอนุสาสนนะีคำแนะนำประโยชน์ถ้าเมื่อไหร่รับโอวาส์ก็คือมีคนทําความบกพร่องแล้วมีคนทําผิดแล้วก็จะให้โอวาสแต่ถ้ายังไม่มีใครทําอะไรผิดจะทําให้มันดีขึ้นนี้ขึ้นต้องใช้คำว่าอนุสาสนีไม่ใช้ว่าโอวาส์คำว่าโอวาสก็คือคาตักเตือนพู ด, ดง่ายนะโอวาสเนะี่ยคตักเตือนส่วนอนุสาสนีนะั้แนะนาสั่งสอน แต่ว่าในภาษาไทยคําว่าสั่งกับสอนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะคําว่าคําสั่งนะคือห้ามทำคาสอนก็คือให้ทําอืมีข้อห้ามและข้ออนุ ญ, ญาต <c oughs> ไม่มีใครก็ได้โสโสโสก็ได้พิคุพิคุสมัมเนโรสมัมเนโรก็ได้ <c oughs> ขอให้เป็นปฐมมาเอกพจน์ได้ไม่ต้องใส่ข้ามาเราจะใส่ใครก็ได้ ฟังโอวาทอาจริยะโจจากอาจารย์ใครก็ได้อุปาสโกก็ได้ใสสิทธโสก็ได้ใทรสามเณรโรพิกุกก็ได้ฟังอะฟังโอวาจากอาจารย์ใครก็ฟังได้ต่อไปข้อ14มาถุงราปาตาลิปุตเตเกหิอภิกรูปามาถุราแปลว่าชาวเมืองมะถุรา ชื่อเมืองคือมถุราส่วนคนที่อยู่ในเมืองมัทุราชื่อว่ามาธุราเมืองประเทศอเมริกาแล้วก็คนอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าชื่อเมืองคือมถุราส่วนคนเมืองมัทุราคือมาธุรามาธุราแปลว่าผู้อยู่ในเมืองมัทุรา ผู้เกิดในเมืองมัทธราผู้อาศัยอยู่ในเมืองมัทธราผู้ทํามาหา ก, กินอยู่ในเมืองมัทราชื่อว่ามาทุรามีการบุธทธิอาเป็นอมามะเป็นมาอภิรู ป, ปารูปงามยิ่งมีรูปงามมีรูปยิ่งมีรูปสวยหน้าตาดีปาตาลีปุตเกหิกว่าชาวเมืองปาตาลีบุตรทั้งหลาย ชาวเมืองมาทุราสวยกว่าชาวเมืองปาตอรีบุตรเหมือนคนกรุงเทพหน้าตาดีกว่าคนสีสเกตอะไรอย่างเงี้ยมีไม่เหเนใยคนสีสเกตข้อสิบห้าเป็นคาถาจากธรรมบทอภิษฐางเกรธากรรมยา น, นังปาปาจิตตังนิวางระเย ทันทันหิกัโรโตปุญญะป้าปัสมิงระมตีมโนแปลคําไหนออกบ้างอรับยังไม่เห็นคําแปลอะไรแปลคําไหนออกฮะแปลว่าแปลว่ากัลยาณังดีป้าป้าแปลว่าบาปจิตตังแปลว่าแปลว่าจิตนิวางกฤยยแปลว่านิวางกฤยยแปลว่า คำไหนอีกแปลได้บุญยังแปลได้ไหมบุญยังแปลว่าบุญมโนโปแปลได้ไหมใจรามาตีล่ะรามาตียินดีเป็นกิริยาปาปัสมิงล่ะในบา ป, บาปอภิษฐังเเรถะล่ะอ๋อ อ, อันนี้ไม่ต้องแยกนะแปลไม่ได้อยู่แล้วทันทังล่ะแปลได้ไหมกรโรโต ล, ล่ะแปลได้ไหม อ๋อทำอ่าเอายังพอได้แม่จะไม่ตรงเป๊ะก็รู้ลากศพว่าแปลว่าทำแหละไม่รู้ใครทำเมื่อไรเท่านั้นแหละทันทันหิตัดสนที่มาเป็นทันทังบวกหิทันทังดูนะอภิษฐานกเรขเป็นกริยาอาขยาตสัตมีวิพัฒน์ฝ่ายอัตโนบดตัวแรกคือเอตวิพัฒน์ สัตมีก็เอยะเอยุงเอยาศิเอย า, าถาเอยามิเอยมะแล้วก็เอถะเองรังเห็นไหมเอถาวิพัตตัวที่เจ็ดของสัตมีวิพัตก็คือตัวแรกของฝ่ายธนบทเอถะก็ต้องขึ้นบุคคลเข้ามาตะวังไว้ได้เพราะตัวแรกคือบุคคลเอกพจน์ภพใส่โศเข้ามาใส่ปุขคโลเข้ามาอืมเราก็ใส่ปุขคโลมาได้นะอภิถังเกระถาเนี่ยมาจากอาภิอุปสรัปบวก ถ, ถางกระธาต ถานระส่วนตานั้นซอนเฉยๆอภิบนหนาฐานระธาฐาระฐานเนยแปลว่าแผ่ไปแผ่ไปแล้วก็เอทะสตมีวิพัฒน์อภิษฐานเรถาแปลว่าพึงแปลว่าควรแปลว่าสามารถในนี้แล้วก็แปลว่าควรควรขวนขวายพึงขนขวาย กัลยาณังแปลว่ากัลยาณังแปลว่าฮะซึ่งบุญกัลยาณะแปลว่าความดีในนี้แปลบุญเพราะมันจะมีคําว่าบุญบาปบุญบาปใช่ไหมมันใส่คําว่าบุญยังไม่ได้เพราะมันไม่ครบาบาปคาถาก็ใส่ันว่ากัลยาณังแทนบุญยังซึ่งบุญบุคคลควรขอนขวายซึ่งบุญควรรีบทําบุญคําว่าขอนขวายในนี้ท่านแปลว่า ตุริตังตุริตังกระเเควรทําโดยเร็วรีบรีบทำถ้าจะแปล ง, ง่ายก็บอกว่าอาภิษฐานเรทะควรรี บ, ร, บรีบทำกัญยาณังซึ่งบุญควรรีบกระทําซึ่งบุญนิวางระเยควรห้ามควรห้ามจิตตั้ง ซึ่งจิตปาปาจากบาปควรห้ามจิตจากบาปนี่ปัญจะมีแลละแปลว่าจากหิเพราะว่ากะโรโตใส่ปุคลัสษะมาได้กะโรโตเมื่อบุคคลกระทาอยู่กะโรโตคือปุคลัสสะ เป็นฉัฏถีวิพัตในอัตลักขณะปุกรัตสะเมื่อบุคคลกะโรโตกระทำอยู่ไม่ใช่กะทำแล้วนะกะทำอยู่คำว่าวะกะโรโตคือการรนตัดสะนั่นเองอะ่ะเอาหน้าตะกับสะเป็นโตการรนตัดสะเป็นกะโรโตเป็นวิเศษเป็นกิริยาของปุกราาัตสาฉัฏถีวิพัต แห่งของเมื่อในชาติทิพย์พัฒน์ใช้นึกจำได้ไหมบุคลาศส์เมื่อบุคคลกโระโโตกระทําอยู่ปนยังซึ่งบุญ <c oughs> ทันทังช้า <c oughs> เมื่อบุคคลทําบุญชา้าทันทังเนี่ยแปลว่าช้าชักชา้าเชื่องชา้าเอื่อยเฉยให้พักสินาทีก็เกินอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทันทัง ถ้าภาษาชาวบ้านก็อะไรนะอ้อยส้อยเลย อ, อ้อยส้อยยังไม่ช้านะอ้อยอิงเลยยืดยาดอืดอาจเฉยชางงุ่มง่ามเลยโอ้เยอะนะเป็นได้หลายอย่างต่อไปมะโนใจ มโนใจระมติย่อมยินดีหรือจะยินดีปาปสมิงในบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำบุญชา้าใจก็จะยินดีในบาปเลยไม่ได้ทำบุคคลควรเร่งรีบกระทำซึ่งบุญควรห้ามจิตจากบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำบุญช้าใจจะยินดีในบาปซะก่อนเนี่ยโดยความหมายะนะอ้าวเขียนคาแปลอ้าวเขียนคำแป ล, แปลบุคคลควรรีบกระทำซึ่งบุญบุคคลควรรีบกระทำซึ่งบุญควรห้ามซึ่งจิตจากบาป ควรห้ามซึ่งจิตจากบาปควรห้ามจิตจากบาปถ้าแปลง่ายๆอะ่ะบุคคลควรรีบทําบุญควรห้ามจิตจากบาปหิเพราะว่าหิตอนนั้นแปลว่าเพราะว่าในอัดเหตุหิเพราะว่าหิเพราะว่าเมื่อบุคลบคลกระทําอยู่เมื่อบุคคลกระทําอยู่ซึ่งบุญช้าชา้า เมื่อบุคคลกระทําอยู่ซึ่งบุญช้าช้าฮะไม่ทันเลยใจย่อมยินดีในบาปหรือว่าใจจะยินดีในบาปวงเล็บว่าสักก่อน <laughs> ใจจะยินดีในบาปสักก่อน <laughs> ออเป็นยังไงคาถานี่มาจากไหนในพระไตรปิฎกขุตกะนิการท ม, มบทเลมที่ย5้าข้อหนึ่ง้หน้า37เขียนเลขหน้าไว้หน่อยมันมีว่างเอาไว้ว่า37ไอ้ที่ว่างไงใช่ไหมสาเขียนเลขสาทับ37คือหน้า37บฉบับภาษาบาลีตอนนั้นหาไม่ทันลืมนึกว่าทำเสร็จแล้วมาดูเอาว่าง น่าสามสิบเจ็ดมีนิทานเป็นอย่างนี้นะมีอุบาสกผู้หนึ่งมีภรรยาอยู่หนึ่งคนแต่ไม่มีบุตรครอบครัวครอบครัวนี้เนี่ยฐานะยากจนมีผ้านุ่งคนละผืนแต่มีผ้าห่มผืนเดียวกันพูดง่ายๆว่ามีกางเกงคนละตัวแต่เสื้อตัวเดียวกัน แต่ว่าคนสมัยนู้นเขาไม่เป็นเสื้อไงเขาเป็นผ้าผ้าหม่มเฉวียงบา่าเหมือนเหมือนของไม่ชีอย่างเนี้ยเ พ, พราะพราหมณ์อ่ะใช่ไหมันจะเป็นผ้าขาวหม่ม <c oughs> มีผ้าหม่มก็หมายความว่าผ้าสำหรับห่มออกนอกเรือนเนี่ยมีเพียงผืนเดียวถ้าคนหนึ่งออกไปคนหนึ่งต้องอยู่ในบ้านสลับกันใครอยากไปไหนก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในบ้านวันหนึ่งได้ยินเสียงเขาประกาศว่า พระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันจะแสดงธรรมเชิญอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิาทั้งหลายไปฟังธรรมวันนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสามีไปทำธุระได้ยินเสียงประกาศกลับมาถามภรรยาว่าแม่จะไปฟังธรรมเวลาไหนภรรยาก็บอกว่าดิฉันจะไปกลางวัน เออก็ดีแล้วงั้นแม่ไปก่อนเดียวฉันจะไปกลางคืนก็เปื้อนผ้าให้ภรรยาภรรยาก็ผมผ้าเฉียงแล้วก็ไปนั่งฟังธรรมอยู่ท้ายฟังธรรมจบก็เดินทางกลับมาแล้วก็ถอดเปลี่ยนผ้าส่งให้สามีพ่อไปได้แล้วสามีก็เอาผ้าผืนเดียวกันนั้นผมเฉียงบ่าแล้วก็ไปฟังธรรมนั่งอยู่ท้ายแถวในที่ธรรมสภานั้นน่ะ <c oughs> มีตั้งแต่ พระราชามาจนถึงยาจบมีทุกระดับคนเลยแม้แต่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็มานั่งฟังธรรมอยู่ด้วยวันนั้นในขณะที่อุบาสกผู้นี้ฟังธรรมไปฟังธรรมไปเนี่ยจิตก็เกิดศรัทธาขึ้นมาอยากจะถวายผ้าแด่พระพุทธเจ้าขยับเบื้องผ้าออกนึกขึ้นแล้วอุ๊ยตายเรามีผ้าขืนเดียว ถ้าเราถวายผ้าคืนนี้ไปแล้วกลับไปบ้านภรรยาจะออกไปจ่ายตลาดไปของไปซื้อเก็บนูน่นเก็บนี่จะเอาผ้าที่ไหนห่มไปไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ก่อนก็นั่งฟังธรรมต่อไปจิตอยากศรัทธาจะถวายเกิดขึ้นอีกบาลีท่านพรนานาว่าเมื่อไหรที่จิตศรัทธาเกิดขึ้นจิตที่ตรณีก็เกิดตามมาห้ามเอาไว้ว่าอย่าเลยอย่าเลยเรามีน้อยอย่าพึ่งให้อย่าพึ่งให้ เป็นคามตะนีเกิดขึ้นจิตศรัทธาเกิดขึ้นหนึ่งครั้งจิตตรนีเกิดขึ้นหนึ่งพันครั้งแล้วก็ผัดไปเรื่อยแล้วก็นั่งฟังธรรมไปเรื่อยเขาเกิดศรัทธาจะถวายผ้าตั้งแต่ปฐมยามตั้งแต่หัวค่าฝันธรรมไปฟังธรรมไ ป, ไปเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาเอาถวายไม่ถวายถ้าเรานะนับนิ้วใช่ไหมถวายไม่ถวายถวายไม่ถวายอย่างเงี้ย <laughs> แต่พราหมณ์คนี้ก็ ฟังไปพอจิตสตาอากจะถวายจิตตนีก็ครอบงำจิตไว้อีกว่าอย่าถวายเลยเป็นอย่างเนี้ยเรื่อยไปเรื่อยไปมัดชิมยามผ่านไปปัดชิมยามผ่านไปก่อนอรุณขึ้นคนกำลังนั่งสงบฟังธรรมอยู่พามคนนี้ลุกขึ้นยืนชนะแล้วชนะแล้ว <c oughs> <c oughs> พระเจ้าปรสิที่โกศลกำลังนั่งประทับรอใจจดใจจอะฟังธรรมพูเจ้าได้ยินเสียงคนตะโกนชนะแล้วชนะเอ้ยใครเป็นอะไรอะ่ะผีเข้าสิงแล้วหรือเปล่าบอกบอกทหารบอกว่าแกไปดูสิใครเป็นอะไรก็ไปถามได้ความมารีบกราบทูลว่าขอเดชะมีคนยากไร้ผู้หนึ่งก็เลยไปตามเข้ามาสิ เขาพูดทำไมฟังทําอยู่ดีทำไมบอกชนะชนะเขาชนะอะไรหรือไปตามมาบอกว่านายหลวงรับสั่งให้เข้าหาก็มาประราชาก็ตัดถามว่าลุงท่านเป็นอะไรหรือท่านชนะใครก็เลยเล่าความจริงให้ฟังบอกว่าชนะใจตัวเองได้ตอนนี้เปื้องผ้าออกมาเลยนะ มีผ้าผืนเดียวเพื้องผ้าเลยพับเรียบร้อยน้อมเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าถวายเลยเปลือยเลยสอนท่อนบนถวายผ้าก็ไม่ใช่ว่าจะมีราคาสวยงามใหม่อะไรนะก็ลองคิดดูสองคนผืนเดียวอะ่ะคงจะดำดำเลอะเละขาดบ้างแล้ว ถวายศรัทธาเมื่อถวายด้วยศรัทธารับพุย เ, เจ้าบอกว่าในขณะจิตเกิดศรัทธาขึ้นเขาถวายอะไรต้องรับก่อนที่รับเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ําขึ้นให้รีบตักไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> หมายถึงว่าเมื่อคนเขาศรัทธาแล้วเนี่ยรีบสงเคราะห์นะถ้าเลยจากนั้นไปจะมีความเสียดายว่าไม่สามารถสงเคราะห์ได้แล้วเพราะเมื่อไหร่ใจศรัทธาเปลี่ยนไปแล้วเกิดความตำ น, นีมาครอบงำแล้วคนนั้นก็ถือว่าไม่มีโชคแล้ว ไม่มีโชคดังนั้นพอพราหมณ์ผู้นี้ถวายพระพุทธเจ้านาตาเออบอิ่มเบิก บ, บานกลับมานั่งที่ฟังทมหน้านอิ่มพระเจ้าประเสริฐที่โพส้นเห็นเหตุการณ์ทั้งเข้าแล้วเอพราหมณ์ผู้นี้ทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ประเสริฐเอาละเราจะทำสิ่งที่เขาควรจะได้ พระเจ้าประสิทิคิดอย่างนี้นะเราจะทำในสิ่งที่เขาควรจะได้ก็เลยเรียกเข้ามาหาบอกว่าลงอัละข้าพระเจ้าจะให้ผ้าสาดกคู่หนึ่งแก่ท่านเพราะตอนนี้พระเจ้าประสิทธิ์รู้ความจริงหมดแล้วว่าสองคนเนี่ยผ้าผืนเดียวใช่ไหมก็จะเลยเลยจะให้สองผืนเพื่อไปแบ่งกันใช้คนละผืนไม่ต้องมาแย่งกันอีกแล้วพอรับสั่งให้พาราชทาน ผ้าสาดกสองผืนตอนนั้นเขากำลังสะทางแรงเนี่ยส่งเข้ามือปุ๊บก็ถวายพระเจ้าปั๊บเลย <c oughs> <c oughs> บอกว่าขอเดชะพระองค์ให้ข้าให้ผ้าหนึ่งคู่แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอถวายพระพุทธเจ้าเอาละถ้างั้นข้าจะให้ท่านอีกสองคู่สี่ผืน ก็ถวายพู้เจ้าอีกแปดพื้นถวายพู้เจ้าสิบหกพื้นถวายพู้เจ้าแต่ว่าก่อนจะถวายสิบหกพืนเนี่ยนะยักเอาไว้สองพืนก่อนถวายสิบสี่พืนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้ถวายสามสิบสองพืนยักเอาไว้สองพืนถวายสามสิบพืนไม่ใช่กิเลส พอพระราชาพระเจ้าวสิษฐเห็นอย่างนี้โอ้บุรุษผู้นี้เราให้เท่าไหร่ก็แทนที่จะเห็นว่านี่เป็นของเราเป็นของตัวเองก็กลับถวายผู้วิเจ้าถวายผู้วิเจ้าเอาละ่ะเราจะให้ยิ่งกว่านี้รับสั่งให้ให้ของทุกอย่างอย่างละสี่ตอนที่เห็นนิมิตว่าเขาเอาพาไว้สี่ผืนเนี่ยนะให้อย่างละสี่เลยให้อะไรบ้างอย่างละสี่ช้างสี่เชือก มามาสี่ตัวโคทุกอย่างนะนะธาตุหญิงาธาตุชายเรือนบ้านสวยสี่ตำบลเงินสี่พันกหาพนะบาลีทขาบอกว่าให้ของร้อยอย่างอย่างละสี่ให้ของร้อยอย่างอย่างละสี่อย่างละสี่สุดท้าย ให้อะไรมาบอกถวายคุยเจ้าให้อะไรบอกถวายคุยเจ้ามาหมดพระเจ้าเปรตนีโกรธสนรับสั่งทหารบ่าเธอไปกลับไปตำหนักเอาผ้ากำพลมาสองผืนผืนละหนึ่งแสนข้าพนะาราคามาพระราชทานใส่มือให้พราหมผู้นี้บอกว่าผืนนี้ให้ท่านผืนนี้ให้ภรรยาของท่านพราหมณ์ผู้นี้เห็นอู้ผ้าผ้ามูลค่าสูงขนาดนี้ไม่ควรแก่เราเลย ควรแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนำผ้าผืนหนึ่งทูลถวายพระพุทธเจ้าตรงนั้นเลยส่วนอีกผืนหนึ่งนำกลับบ้านที่ถวายพระเจ้าผืนหนึ่งเนี่ยเอาไปกัน้นที่พระคันตะกุดีพระเจ้าเป็นเป็นภาพขั้นเพดานสีแดงกาพลแดงเน่ะกั้นเป็นผ้าม่านไอเป็นภาพเป็นฝ้าเนี่ยนะถึงฝ้าเพดานาในพระคันตะกดีพระเจ้า อีพื้นหนึ่งกลับไปกั้นไว้ที่กระต๊อบเล็กๆที่บ้านเวลานิมนต์พระเป็นนั่งฉันก็ให้นั่งใต้ผ้ากั้นไว้สวยไว้งามกั้นเอาไว้ตกเย็นพระเจ้าวเสนิโกศลกลับไปเฝ้าพระเจ้าอีกเห็นผ้ากำพลแดงเอา้าที่ผ้าเหล่านี่นะทําไมมาอยู่นี่ให้ถามผู้นั้นแต่ละทําไมมาอยู่นี่เลยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าผ้าผืนนี้ใครถวายพระพุทธเจ้าก็ตรัดว่าพราหมณ์ผู้นั้นถวาย พอได้ยินอย่างนี้โอ้ยิ่งยิ่งศรัทธาพระเจ้าประตผู้ผลยิ่งศรัทธาเพราะพรามผู้นี้ถวายผ้ากลับไปกั้นม่านกันอะไรเรียบร้อยแล้วกลับมาฟังธรรมต่อพระเจ้าเปรตที่กุศลกาลังสนทนากับพระพุทธเจ้าเรื่องพราหมณ์ผู้นี้อยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบอพิษถ้าพราหมณ์ผู้นี้ให้ผ้าเป็นทานตั้งแต่ปฐมยาณ ตั้งแต่ปฐมายามนะมเขาจะได้พระได้รับพระราชทานเนี่ยนะอย่างละสิบหกอย่างละสิบหกหมายถึงว่าทตาหญิงสิบหกท่ า, า, 16, าชายคือทุกอย่างร้อยอย่างเนี่ยอย่างละสิบหกมดเลย<ม>ถ้าเขาได้ถวายตั้งแต่มัชชิมายามเขาจะได้อย่างละแปดนี่เขามาถวายเอาตอนปัตชิมายามเลยได้อย่างละสี่เท่านั้น<ม> <laughs> น่าเสียดายไหมหน่าเสียดายแทนไม่ตอนสุดท้ายอะ ท, ที่ที่พระเจ้าเศรุกุศลให้ธาตให้อะไรนั่นอะคือให้เขาถวายพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่เอาอยู่แล้วถวายอมอบพระราชทานให้เขาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามหาโบุพพิตถ้าใครจะทําบุญควรรีบทําเห็นไหม ควรรีบทำอย่าชักช้าเพราะจิตจะยินดีในบาปซะก่อนถ้าศรัทธาเกิดขึ้นแล้วรีบทำทันทีไม่ใช่เอาไว้ก่อนสักหน่อยบ่มศรัทธาให้มันแก่กล้า เว้ยเจ้าจึงตรัสคาถานนี้แหละว่าอภิษฐ า, านเกเรถากัลยาณหนังปาปาจิตตังนิวานระเรทะนทันหิกะโรโตปุญญังปา ป, าปสมิงรามตีมโนควรรีบทําความดีควรรีบทําบุญควรห้ามจิตจากบาปในนี้ท่านหมายถึงว่าจิตสถานนั่ น, นเป็นจิตที่ประกอบด้วยบุญจิตตนีนั่นเป็นจิตประกอบด้วยบาปแล้วก็เมื่อบุคคลทําบุญช้าใจก็จะยินดีในบาปเสียก่อนนั้น อย่างพราหมณ์ผู้นี้ถ้าเขาศรัทธาปุ๊บแล้วถวายผู้เจ้าตนะั้งแต่ตอนนั้นเลยถือว่ามีอำนาจสูงมากนะถวายในยขณะที่มีศรัทธาแรงกล้านะแต่ว่าบางเอิ้อนมาถูกแต่ความตณีเนี่ยครอบงำซะก่อนบาลีท่านพรนนาว่าจิตศรัทธาเกิดขึ้นหนึ่งขณะเท่านั้นนะ่ะจิตตณีเกิดขึ้นหนึ่งพันขณะเขาเป็นเหมือนถูกภูเขาแท่งทึบทับอยู่บนอกกว่าจะเก็บก้อนหินได้ออกทีละก้อนทีลก้อนมองเห็นว่าจิตศรัทธามันอยู่ตรงไหนอ่ะนะ ถูกวกเขาถล่มลงมาทับถูกความตนีถล่มลงมาทับซะก่อนนั้นเขาก็ค้นหาศรัทธาอยู่ไหนเนี่ยนะจนถึงก่อนรุ่งสางถึงชนะได้จึงลุกขึ้นตะโกนชนะแล้วนั่นงั้นเรียนบาลีอย่าไปเผลอยืนขึ้นชนะแล้วจริงๆมีก็ดีจะได้ถามดูว่าชนะอะไร เสตรี่โกศลไม่ทราบอกันโสดาบันหรือว่าสูงกว่านั้นยังไม่ทราบในบางที่เขาบอกเป็นอะไรบริษัทบริษัทบริษัทก็ยังไม่บรรลุเจ้าเษตที่โกศลอยู่แคว้นโกศลเมืองสาวัตถีเขอยู่ในแคว้นโกศลรับอุปถัมภุยเจ้ า, าเจ้าเกษตรอเะหล่ะมาแปลก่อนเลิกเวลาเลยไปเยอะแล้วแปลคาถา อภิษัังเรธากรยานางแปลวะ่าบุคคลควรเร่งรีบกระทาบุญป่าปาจิตตังนิวางระเยควรห้ามจิตจากบาปทันทันหิกังโรโตปุญญงเพราะว่าเมื่อบุคคลกระทาบุญชา้าช้าป่าปัาสมิง ร, รัมตีมโน ใจใ <น S 1> ย่อมยิน<ม>ดีใ น, ในบาป <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้ไหม <c oughs> เคยมีไหมคิด <c oughs> แล้วคิดอีกเอ๊ทำดีไม่ดีอะไรมีไหมเพราะศรัทธาึันปุ <c oughs> ๊บ ท, ทำเลย